ก็ราบบูชาป ร, รารถนาไตรกราบบูชาครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนก็กราบกระวะหลงพ่อกลมอาจารย์สรงศินลป์อาจารย์วัฒนชัยพระเถระเพื่อนสาธมิกเจริญพรมายังแม่ชีญาติโยม อุบาสกอุบาสิกาที่มาร่วมกันปฏิบัติธรรมที่วัดป่าสุขโตก็นั่งตามสบายเนาะก็เป็นกิจวัตรประจำวันนะของพวกเราที่ได้มาร่วมกันทำวัดนะเป็นประจำนะตอนเช้าตอนเย็น เมื่อเย็นเมื่อวานธรามาไม่ได้มีโอกาสมาทำวัดนะก็ไปส่งพระนะก็ได้อ่านข่าวสารนะจากข่าวๆต่างๆนะก็พบว่าวันนี้เนี่ยก็ <c oughs> มีเรื่องที่ทำให้พุทธศาสนิกชนเนี่ยก็วันไหวนะกับเรื่องของพระนะโดยเฉพาะ นะก็มีหลายเรื่องนะฮะซึ่งหลายคนคงจะทราบนะเรื่องของหงปู่เน้นคำบ้างนะเรื่องของอาการจัดพิธีฉลองพัดยดนะก็เอา c คโยอตี้มาเต้นนะซึ่งดูก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็น เป็นภาพเป็นเหตุการณนะ์ที่เราคงจะเคยได้เห็นกันอยู่เป็นประจำนะซึ่งตัวนี้ก็ได้สะท้อนกลับมาที่ตัวเราเหมือนกันนะในฐานะที่เป็นนักบวชนะหรือคนที่เกี่ยวข้องนะโดยเฉพาะยังยิ่งทำให้มองเห็นเลยว่าถ้าเราเอาใจนะไปไว้กับคนอื่น ก็นะคือต้องไปพึ่งพิงคนที่เราเชื่อว่ า, เ, าเป็นคนที่น่าเชื่อถือเป็นคนที่ไว้ใจได้นะโดยเฉพาะนักบวชนะซึ่งตรงนี้ก็บางทีก็ทำให้เราผิดหวังนะซึ่งก็ในส่วนของคนทั่วไปเนี่ยนะถ้าไม่ได้มาศึกษาไม่ได้มาปฏิบัติเนี่ยก็จะไม่รู้เท่าทันในเรื่องพวกนี้ นะทำให้เราผิดหวังทำให้เราเสียใจและบางทีก็ทำให้ศรัทธานะที่มีเนี่ยลดถอยลงไปนะเพราะว่าเราไปศรัทธาเพียงตัวบุคคลนะที่เรียกว่าสมมุติสองนะเราไม่ได้พึ่งพระรัตนตรัยที่แท้จริงนะเราไม่ได้พึ่งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆนะ์ซึ่งจริงๆพระสงฆ์เนี่ยก็คือ พระอริยสงฆ์นะไม่ใช่สมมุทติสงที่เราเห็นกันโดยทั่วไปนะซึ่งตรงนั้นก็ต้องยอมรับอยู่แล้วว่าผู้ที่ไม่ได้ศึกษาไม่ปฏิบัตินะก็จะ เ, เสียใจไปนะกับเหตุการณ์เหล่านี้นะซึ่งในส่วนนี้ของพวกเราชาววัดภ่าสุขโตเนี่ยก็คงจะเข้าใจได้นะว่าสาระสำคัญ ที่พึ่งที่แท้จริงของคนเรานั้นนะมันอยู่ที่สติปัญญาของเรานะก็คือการที่เรามาประพฤติปฏิบัตินะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมาเจริญสติเนี่ยนะเราจะเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของเราได้คนเราเนี่ยโดยเฉพาะมนุษย์เนี่ยเกิดมาเนี่ยจะเห็นได้เลยว่า เป็นสัตว์ที่อ่อนแอเกิดมานี่ก็ต้องพึ่งนะพึ่งแม่นะพึ่งพ่อให้เลี้ยงดูนะตั้งแต่เล็กนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นการพึ่งที่จำเป็นนะถ้าเราสังเกตดูสัตว์อื่นๆเนี่ยบางทีมันคลอดออกมาเนี่ยมันสามารถที่จะยืนได้เลยนะแต่คนเรานี่คลอดออกมายังต้องอยู่ในการดูแลของ แมนะ่ที่จะต้องคอยประคบประงมนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ทำให้เราต้องมีที่พึ่งนะเราก็พึ่งกับตัวบุคคลนะทีนี้พอเราเติบโตขึ้นมานะเป็นวัยรุ่นเราก็พึ่งเพื่อนนะบางทีก็พึ่งคนที่รู้ใจนะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งหรพอเราโตขึ้นมาเรื่อยๆนะก็ต้องพึ่งคนในครอบครัวนะต้องแต่งงาน นะต้องมีสามีภรรยาแล้วนะก็คิดว่าจะเป็นที่พึ่งได้นะแล้วก็บางคนก็ไปพึ่งอยู่กับทรัพย์สินเงินทองนะอาชีพนะชื่อเสียงต่างๆนะซึ่งที่พึ่งเหล่านี้เราก็คิดว่ามันจะทำให้ชีวิตของเรามั่นคงทำให้ชีวิตของเราปลอดภัยนะหรือแม้แต่ไปพึ่งครูบาอาจารย์นะพึ่งบุคคลอื่นนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ย บางทีมันก็พึ่งได้เป็นบางครั้งบางคราวนะแต่ว่าสิ่งที่เราจะพึ่งได้จริงๆก็คือพึ่งตัวเราเองทีนี้การพึ่งตัวเราเองเนี่ยนะมันจําเป็นที่เราจะต้องหาหลักนะหรือว่าแนวนะหรือหลักที่เราจะยึดนะที่จะเป็นที่พึ่งให้กับเราได้ที่แท้จริงนะหลักที่แท้จริงหรือที่พึ่งที่แท้จริงนั้น นะก็คือการที่เรากลับมานะดูกายดูใจของเรากายใจของเราเนี่ยนะเป็นที่พึ่งได้นะหมายถึงว่าเรามีสติมีปัญญานะที่จะรู้เท่าทันนะสิ่งที่เรารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราไม่มีที่พึ่งไม่มีที่ยึดนะตรงนี้การที่เรา มาเรียนรูนะ้กายใจของเรานะก็เพื่อที่จะให้เรารู้ความจริงนะว่ากายเนี่ยนะมันเป็นทุกขนะ์ใจมันก็เป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่าเราไม่รู้เท่าทันนะอาการต่างๆหรือไม่รู้เท่าทันความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นนะเราก็ไปยึดไปถือมันโดยเฉพาะยังยิ่ง <c oughs> คนโดยส่วนใหญนะ่ก็มีจุดมุ่งหมาย มีความปรารถนาที่จะให้ชีวิตนั้นมีความสุขนะก็คอยคว้าสแสวงหาความสุขนะจากสิ่ ง, งต่างๆจากวัตถุจากบุคคลจากสิ่งแวดล้อมจากสังคมนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราคาดหวังนะซึ่งบางทีมันก็มีบางทีมันก็ไม่มนะีเป็นความสุขชั่วครั้งชั่วคราว นะซึ่งก็เอาแน่เอานอนไม่ได้นะตรงนี้นี่เองนะก็ทำให้เราอาจจะผิดหวังนะหรือว่าเกิดความเสียอกเสียใจขึ้นมาได้นะซึ่งตรงนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เราเห็นในสังคมนะในปัจจุบันซึ่งถ้าย้อนหลังไปในอดีตมันก็เหมือนกันนะสภาพแบบนีนะ้สภาพที่เราจะเจอกับความไม่เป็นไปดังใจที่เรามุ่งหวัง นะหรือไม่เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังไว้เพระาะฉะนั้นตรงนี้นะก็จำเป็นนะที่เราจะต้องมาเรียนรู้นะความไม่แน่นอนนะของสิ่งต่างๆนะโดยเฉพาะกายใจของเราเราเห็นว่าถ้าเรานั่งนานๆนะมันก็จะปวดจะเมื่อยนะซึ่งก็เป็นธรรมชาติธรรมดานะของร่างกายนะที่มันจะเจ็บมันจะปวด แต่บางทีเนี่ยนะการเจ็บปวดของเราเนี่ยผู <c oughs> ้ที่ไม่ได้ฝึกผู้ที่ไม่ได้เรียนรู้นะก็จะรู้สึก <c oughs> พอใจไม่พอใจโดยเพพาะความปวดความเมื่อยนะเราก็รู้สึกไม่ค่อยพอใจนะเราก็รู้สึกว่าทรมานนะสำหรับบางคนนะแต่คนที่เริ่มเรียนรู้แล้วนะเขาก็จะรู้ว่าโอมันก็เป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นเองนะเราก็มีใจเป็นปกติ มีปวดเมื่อยเป็นปกติเป็นอาการของกายของเขานะแต่ไม่มีตัวเรานะเข้าไปปวดไปเมื่อยนะซึ่งตรงนีนะ้ก็เป็นความแยบคายนะที่เกิดจากการที่เราได้เจริญสตินะกับการที่เรามาเห็นความจริงนะของร่างกายนะในส่วนของจิตใจก็เหมือนกันนะจิตใจของเราเนี่ยมันก็คิดนะคิดในเรื่องต่างๆนะ วางแผน ล, ล่วงหน้าบ้างคิดถึงอดีตบ้างนะบางทีก็พอใจไม่พอใจนะที่เกิดจากความคิดปรุงแต่งนะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะก็เราไม่รู้เท่าทันนั่นเองถ้าเรา <c oughs> <c oughs> จเจริญสตนะิเรารู้เท่าทันความคิดนะเราก็จะรู้ว่าความคิดเนี่ยนะมันก็เป็นอาการหนึ่งของจิตนะที่เขาจะทำงานของเขานะมันก็จะเป็นไปตาม ธรรมชาตินะเราเพียงแต่คอยสังเกตคอยดนะูว่ามันเกิดขึ้นนะเมื่อมีการสัมผัสนะของตากับรูปนะเสียงกับหนะูจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายสัมผัสนะตรงนีนะ้มันก็จะทำให้เห็นเรียกว่า <c oughs> ปรากฏการณ์ หรือเป็นอาการที่มันเกิดขึ้นนะตามธรรมชาตนะิมันก็จะมีเรื่องราวต่างๆมากมายแต่ก่อนนั้นเมื่อเราไม่ได้ฝึกไม่ได้มาสังเกตนะเราก็จะหลงไปในความคิดนะถ้าคิดดีๆนะเราก็รู้สึกว่า <c oughs> มีความสุขมีความพอพอใจนะถ้าเราคิดไม่ดีขึ้นมาหรือบางทีย้อนหละลึกนะไปถึงสิ่งที่ไม่ดี นะที่เราเคยทำในอดีตนะเราก็รู้สึกว่ า, เ, าเราไม่ดีเลยนะก็เรียกว่าเป็นการาสำนึกบาปขึ้นมานะซึ่งตรงนี้เนี่ย <c oughs> เป็นสิ่งที่ถ้าเราไม่ได้มาฝึกไม่ได้มาเรียนรู้เนี่ยนะในแต่ละขณะนะของความคิดเนี่ยนะเราก็จะมีความสุขมีความทุกขนะ์ปัปนกันไป นะซึ่งจริงๆผู้ที่มีความแยบคายนะในการที่จะสังเกตเความจริงเหล่านี้เนี่ยนะจริงๆแล้วมันไม่มีความสุขนะมันมีแต่ว่าทุกน้อยลงนะรู้สึกสบายขึ้นนะเราก็สมมุติว่ามันเป็นความสุขเราเรียกมันวะ่าเป็นความสุขจริงๆมันไม่มีสุขหลักมันมีแต่ทุกนะมีแต่ทุกมากทุกน้อยเท่านั้นเองนะตรงนี้เนี่ย อนี้ตรงนี้เนี่ยก็จำเป็นนะที่เราจะต้องสังเกตเราต้องดูเราต้องฝึกนะเราต้องทำบ่อยๆนะเห็นแล้วเห็นอีกนะซ้ำแล้วซ้ำอีกนะมันก็จะทำให้สติคือความรู้สึกตัวเนี่ยมีความแหลมคมนะมีความคมชัดขึ้นนะในการที่เราจะดูนะอาการต่างๆของกายอาการต่างๆของใจ นะซึ่งตรงนี้ถ้าเราดูบ่อยๆเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าไอ้ความคิดปรุงแต่งทั้งหลายเนี่ยนะมันไม่ได้เรื่องได้ลาวมันเป็นเรื่องที่คิดมาแล้วพาให้เราดีใจเสียใจพอใจไม่พอใจนะเป็นเรื่องที่เลีวไหลนะไร้สาระจริงๆนะเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแต่ก่อนเมื่อเราไม่ได้ฝึกนะเมื่อเราไม่ได้เจริญสติเนี่ยเราก็ไปหลงยึด ในความคิดต่างๆนในความสุขต่างๆหรือแม้แต่ในการที่เราพยายามจะปัดสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นความทุกข์ออกไปมันก็เกิดแรงดึงแรงผลัดอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาชีวิตของเราก็เป็นชีวิตที่ไม่เป็นอิสระเป็นชีวิตที่ต้องพึ่งพาสิ่งต่างๆเหล่านี้และเราก็ไปยึดไปถือว่ามันเป็นเรื่องจริง มันเป็นสิ่งมีสาระเป็นสิ่งที่เราจะต้องมีต้องเป็นให้ได้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มาฝึกปฏิบัติเนี่ยนะบางคนนะก็มีความตั้งใจดีนะในการที่จะเอาให้ได้ในการที่จะเป็นให้ได้นะในการที่จะถึงให้ได้นะซึ่งตรงนี้นะบางทีก็ทำให้เราอึดอัดนะทำให้เราหนักอกหนักใจขึ้นมา หรือบางคนฝึกไปนะก็เกิดความเครียดขึ้นมาโดยที่ไม่รู้ตัวนะซึ่งตรงนี้ตัวกระพุ่มนิธิมาเองก็เคยได้มีประสบการณ์ตรงนี้นะคนที่มุ่งมั่นมากๆคนที่ตั้งใจมากๆเนี่ยก็เป็นเรื่องดีนะจริงๆไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่ว่าเมื่อทําไปแล้วนะมันเกิดความหนะักขึ้นมารู้สึกมึนขึ้นมามึนหัวก็ดีแน่น อ, อกก็ดี อันนี้แสดงว่าร่างกายเขาแสดงให้เรารู้แล้วเขาส่งสัญญาณแล้วว่ามันเกินไปแล้วนะมันควรที่จะผ่อนคลายนะซึ่งตรงนี้เราก็ต้องอาศัยความแยบคลายนะในการที่จะสังเกตนะจากการปฏิบัติของเรานะซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัตินะก็ต้องรู้จักรู้จักสังเกตนะแล้วก็หาทางผ่อนคลายออกไป การที่เราได้ดูนะดูอาการของกายดูอาการของใจซ้าแล้วซ้าอีกเห็นแล้วเห็นอีกนะซ้ำซ้ำซักซา ก, ซากเนี่ยนะมันจะทำให้เราเห็นเลยว่าความจริงเนี่ยนะของสิ่งต่างๆเนี่ยมันไม่คงที่ไม่คงตัวมันมีการเปลี่ยนแปลงนะอยู่ตลอดเวลานะเป็นสิ่งที่ทนได้ยากนะเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปยึดถือ ไปบังคับปัญชาหรือเอาเป็นที่พึ่งที่แท้จริงไม่ได้ตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้เกิดปัญญาขึ้นมาเป็นญาณปัญญาที่เกิดจากการเห็นความจริงนะซึ่งญาณปัญญาตรงนี้เนี่ยนาจะเป็นที่พึ่งนะที่แท้จริงได้นะเป็นธรรมะนะที่มีอยู่ในตัวของเราเป็นธรรมะที่มีอยู่ในใจของเราเป็นที่พึ่งที่แท้จริงนะเป็นหลักที่ ที่เราจะใช้นะสำหรับการดำเนินชีวิตในการที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะเป็นอิสระนะจากบุคคลเป็นอิสระจากวัตถุนะเป็นอิสระจากความไม่เที่ยงแท้แน่นอนนะใจก็จะเป็นอิสระซึ่งตรงนี้เนี่ยสภาพของความเป็นปกติของใจนะมันก็จะแสดงตัวออกมา นะให้เห็นอย่างชัดเจนว่าปกติธรรมดาของใจเนี่ยนะมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะมันไม่สุขมันไม่ทุกข์มันไม่ได้พอใจไม่พอใจนะมันก็เป็นปกติเป็นปกติที่มีรู้ตื่นเบิกบานไม่ใช่ปกติแบบเฉยซื่อบือ้อนะไม่ใช่นะบางคนอาจจะคิดว่ามาปฏิบัติธรรมแล้วนะจิตใจก็กลายเป็นคนเย็นชาเป็นคนเฉยชานะไม่ใช่เลย ผู้มีปัญญาตื่นรู้แล้วนะ่าจะเป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงว่องไวมีปฏิภาณพร้อมนาะที่จะทำงานทำการทำหน้าที่ต่างๆนะหรือแม้แต่ทำกิจกรรมต่างๆนะไม่ใช่คนเฉยเมยเป็นคนภาษาชาวบ้านเรียกซึมกระเทืออะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะแต่เป็นคนที่มีความเฉย พร้อมนะที่จะทำกิจกรรมต่างๆนะการช่วยเหลือส่วนรวมการทำงานเพื่อผู้อื่นนะสิ่งที่จะเป็นสาระเป็นประโยชน์นะซึ่งก็จะทำไปด้วยสติด้วยปัญญานะตรงนี้เนี่ยมันก็จะแตกต่าง <c oughs> จากแต่ก่อนนะที่เราไม่ได้มาฝึกเราไม่ได้มาเจริญสิทิปัญญาบางทีเราก็ทำไปด้วยความอยาก นะทำไปด้วยแรงผลักดันของอารมณ์นะอของสิ่งต่างๆนะที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งความคิดปรุงแต่งนะตรงนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเรามาเจริญสติแล้วนะเราเห็นแล้วเห็นอีกนะเราก็จะทำอะไรด้วยวด้วยสติด้วยปัญญานะด้วยความรอบคอบนะด้วยความตั้งมั่นนะตรงนี้เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะ จากการที่เราเห็นความจริงใจเป็นอิสระนะจากความคิดปรุงแต่งใจเป็นอิสระนะจากแรงผลักดันที่เป็นแรงผลักดันที่เราไม่รู้ตัวนะซึ่งตรงนี้ทีนี้มันก็จะเกิดแรงผลักดันอันใหม่ขึ้นมาก็คือเป็นแรงผลักดันที่ทําไปด้วยสติด้วยปัญญานะเรียกว่าเกิดฉันทะขึ้นมาแต่ก่อนเราจะทําด้วยตัณหานะ เพราะนั้นฉันทะเนี่ยมันก็เป็นความอยากอีอย่างหนึ่งนะเป็นความอยากนะที่ประกอบไปด้วยสติด้วยปัญญานะไม่ใช่ความอยากที่ไม่ได้มีสติปัญญานะพรงนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งนะที่จะทำให้เราดำเนินชีวิตต่อไปได้นะซึ่งตรงนี้แหละนะเป็นที่พึ่งที่แท้จริงนะของคนเรานะการที่เรามาอยู่วัดป่าสุกโตการได้มาเจรรญสติปัญญา นะโดยเฉพาะการเจริญสตินะตรงนี้เนี่ยก็เป็นเป็นหลักใจนะเป็นที่พึ่งนะที่เราจะใช้ได้นะในการที่เราจะดาเนินชีวิตในการที่จะเราเราจะดํารงชีวิตต่อไปแม้ว่า <c oughs> จะไม่ได้อยู่ในพัดป่าสุก โ, โตก็ตามนะหลังจากที่เราได้ฝึกได้ปฏิบัติได้ไปแล้วนะก็เอาไปใช้นะกับการงานกับที่บ้าน นะกับทุกที่นะนะทุกที่ที่มีกายมีใจนะโดยอาศัยเครื่องมือนะก็คือความรู้สึกตัวนะนี่เองซึ่งความรู้สึกตัวเนี่ยมันก็จะมีสติมีปัญญาที่เกิดขึ้นนะที่รู้เห็นความเป็นจริงสิ่งหนึ่งที่จะบอกว่าสิ่งที่เราได้ฝึกไปมันพัฒนามันใช้การได้หรือไม่นะก็คือการที่เรา ได้ไปประสบนะกับสิ่งต่างๆนะที่ไม่ได้อยู่ในสิ่งที่เราคาดคะเนหรือกาหนดเอาไวนะ้อย่างเช่นการเราไปารับทานอาหารที่ศาราหน้าก็ดนะีการเข้าไปที่โรงครัวก็ดีการลงไปที่ในเมืองก็ดีนะตรงนี้เนี่ยเมื่อเราได้กระทบนะกับอารมณ์ต่างๆจิตนะใจเราเป็นอย่างไรบ้างนะเราอ่อนไหวไหมเรา พอใจไม่พอใจไหมนะอันนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถจะตรวจสอบของเราได้นะว่าสิ่งที่เราได้ฝึกไปเนี่ยมันใช้ได้หรือใช้ไม่ได้การที่เราเอ่อ <c oughs> อยู่ที่วัดป่าสุกโตนะเราเดินจงกรมเราสร้างจังหวะที่ลานจงกรมเนี่ยนะบางทีสติมันก็ชัดดีนะจิตใจมันก็เป็นปกติดีนะตรงนี้เนี่ยบางทีมันก็ทำให้เรา ประมาทนะคิดว่าเออมันใช้ได้แล้วเออมันมันสำเร็จแล้วนะแต่พอเราไปเจอกับเหตุการณ์ซึ่งเราคาดไม่ถึงเช่นคนมาพูดให้เราไม่ถูกหูก็ดีเราไปเห็นสิ่งที่เราไม่พอใจก็ดีนะภาพต่างๆเหล่านี้มันจะฟ้องเลยว่าสิ่งที่เราฝึกไปเนี่ยมันมันใช้ได้หรือใช้ไม่ได้มันพอเพียงหรือไม่พอเพียง นะความรู้สึกตัวที่เราได้ฝึกนั้นมันพอที่จะใช้การได้หรือไม่เพราะฉะนั้น <c oughs> ผู้ที่ฝึกไปแล้วเนี่ยนะหรื อ, อผู้ที่ได้มีาการเห็นนะในสิ่งต่างๆแล้วเนี่ยนะก็อย่าอย่ า, อ ย, าอย่าพึ่งชะลาใจนะอย่าพึ่งดีใจไปแลนะ้ว่าเออเราเข้าใจแล้วเรารู้แล้วเราพอแล้วนะ ตรงนี้มันจะทำให้เราประมาทเพราะนั้นผู้ที่มีาการเจริญสตนะิอย่างต่อเนื่องแล้วเนี่ยนะก็จะเป็นผู้ที่ไม่ประมาทนะก็จะทาไปเรื่อยนะแล้วก็สังเกตดูไปเรื่อยนะทั้งในลานจงกรมก็ดีลานหินโค้งก็ดีในรูปแบบก็ดีนอกรูปแบบก็ดนะีอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องสังเกต แลเราก็ต้องเจริญอยู่เรื่อยๆทําอยู่เรื่อยๆอย่าประมาทถ้ายังไม่ถึงที่สุดทุกอยังความพ้นทุกยังไม่ชัดเจนแจ่มแจ้งในทุกกรณีในทุกเหตุการณ์ในทุกเวลาเนี่ยก็อย่าได้ประมาทเลยซึ่งตัวกับผมนิตามาเองก็ได้สํานึกตรงนี้อยู่บ่อยๆเราก็มีชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทเรา เป็นสิ่งหนึ่งที่จะทําให้การเจริญสติของเราเนี่ยนะมันก็เจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆนะตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เรามีที่พึ่งที่แท้จริงเพราะฉะนั้นที่พึ่งที่แท้จริงนั้นนะก็คือสติปัญญานะที่เกิดจากการประพฤติธปฏิบัติไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ครูบาอาจารย์นะครูบาอาจารย์เองสังเกต นะหลวงพ่อเทียนก็ดีหลวงพ่อคำเขียนก็ดีท่านพยายามไม่ให้เราติดนะท่านไม่ค่อยจะอยู่นะให้เราพึ่งตัวเองให้เราช่วยตัวเองซับเป็นส่วนใหญ่นะแล้วก็ตรงนีนะ้ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ครูบาอาจารย์ได้สอนเราให้เราพึ่งตัวเราเองเพราะนั้นที่พึ่งที่แท้จริงก็คือการพึ่งตัวเองนั่นเองพึ่งด้วยสติด้วยปัญญานะของเราเองแต่ตรงนี้ก็ไม่ได้หมายความว่า เราจะไม่พูดคุยไม่สอบถามนะเมื่อเรามีปัญหาหนาจากการปฏิบัตนะิตรงนั้นก็ยังต้องพึ่งครูบาอาจารย์อยูนะ่แต่สุดท้ายเนียความเข้าใจที่แท้จริงมันจะเกิดจากการปฏิบัติของเราการได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์เนี่ยก็เป็นแผนที่นะเป็นเข็มทิศนะจะชีชชชช้ทางให้เราแต่เราจาเป็นจะต้องเดินเอง เราจะต้องทำเองนะตรงนั้นนะ่ะมันจะเป็นที่พึ่งที่แท้จริงนะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะขอนำเสนอนะในเช้าวันนีนะ้ก็เป็นเรื่องของที่พึ่งที่แท้จริงนะซึ่งก็ได้ข้อคิดนะมาจากการอ่านข่าวสารของหนังสือพิมพ์นะเมื่อวานนี้นะก็เป็นเรื่องที่น่าสงสารมากนะสหรับ ชาวพุทธไทยเราที่ยังไม่รู้จักที่พึ่งที่แท้จริงนะโดยเฉพาะเราก็รู้จักกันแต่ที่พึ่งที่เป็นวัตถุภายนอกเป็นบุคคลภายนอกนะแต่ที่พึ่งที่แท้จริงก็คือใจที่มีสตินะมีปัญญานี่แหละเป็นที่พึ่งที่แท้จริงนะซึ่งอันนี้นะก็เป็นพระพุทธนะเป็นพระธรรมและเป็นพระสงฆ์อยู่ในตัวของเรา เป็นพระรตะตรัยที่แท้จริงที่เราจะพึ่งพิงได้ไม่ใช่พระรตะนาใยข้างนอกนะเป็นระรตนาใจที่มีอยู่ภายในตัวเราเองนะซึ่งตรงนี้ก็คิดว่าทุกท่านเนี่ยก็คงจะมีที่พึ่งอันนี้อยู่นะถ้าใครยังไม่มีนะก็พยายามที่จ ะ, ะ, จะเจริญให้มากทาให้มากนะด้วยความไม่ประมาทนะแล้วก็ทาให้เป็น ประจำนะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเรานะอย่าได้หลงลืมนะสิ่งเหล่านี้นะก็จะช่วยทําให้ชีวิตของเรานั้นนะเป็นชีวิตที่มีอิสระนะมีสันติสุขนะมีสันติภาพนะมีความเป็นปกติสุขนะอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนะซึ่งเป็นเอ่อสิ่งที่ มีอยู่แล้วในตัวเราทุกคนเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วนะแต่ว่าเราอาจจะหลงลืมไปเท่านั้นเองนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะขอนาเสนอในเช้าวันนี้แตนะ่ในท้ายที่สุดนี้นะก็ขออ้างอิงเอาคุณของพระสีรัตนไตรนะก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะพระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะก็คือสิปัญญาที่มีอยู่ในตัวเรา นะพระธรรมก็คือความจริงนะที่แสดงหรือปรากฏนะออกมาให้เราได้เห็นทุกเมื่อเชื่อวันนะโดยอาศัยสิ่งที่เราเรียกว่าความรู้สึกตัวนะแล้วก็พระสงฆนะ์ก็คือการที่เรามีความเพียรนะมีความพยายามในการที่เจริญสตนะิอย่างต่อเนื่องนะตั้งแต่ตื่นยันหลับนะด้วย คุณของภาษีรัะธนาไตรันะที่มีอยู่ในตัวของเราด้วยความเพียรพยายามของทุกท่านนะก็ขอให้เป็นพรวะวปัจจัยหนุนนำส่งให้ทุกท่านเนี่ยนะได้ประสบพบกับความเป็นปกติของใจนะอยู่ทุกเมื่อเช้าวันในเร็ววันนี้โดยทั่วหน้ากันเถินเจริญพร